เขาใจอาจทรรมท่านก็สอนอริยสัจนี่อย่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาตายายสามารถทราบอุปนิสัยของสัตว์คนคนนี้ควรจะสอนอะไรให้เขาจึางจะเกิดสาระประโยชน์ท่านทราบส ม, มุติฐานของจิตใจ แต่พวกเราทันมันสุ่มเดาใครมาหน้าไหนก็สอนกันไปตามเรื่องที่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์แต่ถึงอย่างไรก็ดีเรื่องธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจของพวกเราทันทุกคนคนที่ไม่มีธรรมะแฝกในจิตในใจการ ทำการพูดการคิดอยอมไ่ถูกทางให้ทำให้คนอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนวุ่นวายตัวของตัวเองก็ไม่มีความสุขความสงบนี่คือคนปฏิจากธรรมะจะพูดจะทำจะคิดนี่จะทางผิดทางชั่วโดยส่วนใหญ่ เรื่องจิตใจจึงจําเป็นกับเรื่องธรรมะแต่พวกเราปฏิบัติธรรมะอยู่กับธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะเป็นเรื่องสําคัญมาอยากจะเหมาเอาว่าเรา <c oughs> ไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยนี่เป็นเรื่องตัดสินใจเอาเองไม่ใส่พระพุทธเจ้าตัดสินให้และการกระทําของเรา ทำแช่ไหนจึงตัดจินใจว่าอาภัพอาวาัสนาในสมัยพุทธกาลถ้าหากเราจะเอาตำนานมาพูดกันคนที่มีราคะตันหามากแต่มีอุปนิสัยเป็นพระอารหันต์ก็มีอยู่ตามตำหรับตำรา <c oughs> ความหลงไหลในกิเลสตันหาทั้งทั้งที่ มีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินั้นแต่ก็อำนาจของกิเลียตันหาแรงก้าไม่ใช่เล่นยกตัวอย่างนงปัตาจาราหรือกุลชิดาที่เป็นลูกของเศรษฐีเป็นต้นพวกเหล่านี้ท่านช ท, ที่มีอุปนิสัยจะเป็นพระอาหารหันต์นะ แต่ก็ยังหลงไหลใส่ฝันให้เหลืองราคากัญหามากเหมือนกันจนสามารถที่จะกันก้นกางจิตใจของตัวให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมชาวบ้านไม่ได้าอย่างนั้นปัจจัยจารารวิ่งหนีตามคนชายไป ทั้งทั้งที่พอแม่มุ่งหวังจะให้แต่งงานกับลูกของเจษฐีแต่ตัวกได่ายเสียกับคนใช้แสดงว่า <c oughs> ราคาตัญหาของเขาแรงกล้าในสามารถที่จะบังคับใจของตัวให้อยู่ในขอบขายของโอวาดบิดามานดา ด, าด้จึงทาชั่วทำเสียหนีไปอย่างนั้นกุลธิดาที่ชอบ โจรก็เหมือนกันั้งทางที่ท chỉ มีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินั้นชื่อคุณทนทนเ ท, ทรีหรืออะไรชื่อเมือสําเ็จเป็นพระอาหารหันต์คนนี้ก็ชอบโจรคือโจรคนนั้นก็อเพื่อชั่วเสียเขาจับได้เขาจะนำไปฆ่าแลา้วก็แห่ให้คนดู ในถนนทั้งทางต่างๆนางคนนั้นมองเห็นก็ชอบใจทาไนไม่ได้จะกินยาตาจะฆ่าตัวตายถึงอย่างไรก็จะต้องให้ได้โจรคนนี้มาเป็นสามีให้ได้มีความคิดในจิตในใจคิดแรงขนาดนั้นจนทนไม่ไหวออกปากอ่อนวอนบิดามารดาให้นำโจรมาให้ทั้งโจรคนนั้นฉวเสียขนาดไหนเขาจะเอาไปฆ่าแต่แกก็อชอบยินดี จะเอามาเป็นสานีของแกด้วยอำนาจเงินทองของเขาก็เป็นเศรษฐีดีดาก็ตัวลูกสาวของตัวจะตาย้าไม่ได้เขาก็จะฆ่าตัวตายจริงๆก็เลยติดตามไปปูวกับพระราชากับเจ้านายผู้ใหญ่จะให้ฆ่าตัวของเขาเทถานั้นทถานี้จนพวกนั้น ตกลงใจไม่ค่ามอบโจมคนนั้นมาให้เจ้าหญิงคนนั้นแ่ลูกสาวของเศรษฐีคนนั้นนี่สแสดงว่าราคาตัญหาของเขาแรงกล้าจนสามารถไม่ได้จะฆ่าตัวตายเราทั้งหลายยังไม่เคยตกลงใจแบบนั้นถ้าจะหากจะว่าเราอาภาบอาวาตรนานะมีราคาแรงกล้าเขาเหล่านั้น ถ้าทั้งที่มีอุปนิสัยจะเป็นพระอรหัต์อาหารหันต์ก็ยังแรงกล้าขนาดนั้นมันเป็นไปได้เราจึงไม่ควรตัดสินใจเอาด้วยตัวเองว่าเราอาภาพัพอาวาสนาเมือเวลามันสุ่มมันปรุงมันคิดติดข้อมันก็เป็นไปเหลื่องใจี่แยังแก้ไขตัวเองยังไม่ตกแต่ถึงอย่างไรก็ดีจะต้องสู้ จินติเจรนาศึกษาปฏิบัติเพราะถ้าในมีความเสื่อเสียเหล่านี้เราก็จะมีทางที่จะแก้ไขจิตใจของเรามันชั่วมันติดมันจิตมันปุ่มันยุ่งมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะต้องนำเรื่องอันนั้นมาที่จินิจรนาเพื่อแก้ไขหาใจมันถอดมันถอนมันหลุดมันล่วงออกไปจากซ้ม ติดข้องของใจเพราะถ้าเก็บเอาไว้ก็เรื่องนั้นแหละมันจะมายุ่งเกี่ยวอยู่เรื่อยทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความยึดถือท่านเจงใหน้ามมาีินที่จ้นาเบื่ออัดเบื่อทำเบื่อแกะขายขับไล่ใจคือติดข้องเฝ้ามอง เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆให้สงบให้ขาดใจจักจิตจักใจของตัวเรื่องเหล่านี้มีมาในสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันฉันท่านกันอย่างนั้นไม่ได้แก้ที่อื่นแก้ที่มันติดมันข้องที่มันผูกมันมัดแก้จิตแก่ใจของตัวแต่วิธีแก่กับวิธีที่ผูกมัดมันผิดกัน อย่างราคะกําเริบผู้ที่จะแก้ผู้ทจะต้องทีนี้พิ่เจนาใจสิมันไข่จิตผิดข้องกําหนัดยินดีในรูปนั้นนั้นนำรูปนั้นมาทีนี้พิ่เจนาแต่ไม่พิ่เจมาไปในทางเสริมราคะพิ่เจนาเสื่อําละจิตใจ สี่คายรูปนั้นออกไปเจตพิจารณาเป็นธาตุสี่หรือเจตพิจารณาเป็นขันห้าก็แล้วแต่ความถนัดของใจอยากพิจณาส่งเสริมราคะว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้หน้าจูบอย่างนั้นหน้ากอดอย่างนี้อย่าไปคิดไปในแง่นั้นถ้าคิดไปในแง่นั้นก็เหมือนกันกับเอา เือของไฟไปเพิ่มไฟขึ้นเดียวมันก็ยิงลุกสูงขึ้นความร้อนก็ร้อนเผาออกไปไกลนี่จิตใจก็ทํานองเดียวกันมันยุ่งมันเกี่ยวมันติดมันคล้องมันคิดมันรุงในเรื่องของลูกจนเกิดราคาปัญหาเราจะต้องนํารูปนั้นมาพิจัยนาในความจริงของลูกอย่างกรมมฐานห้า ที่อุปชาญาท่านสอนนั่นก็เป็นเรื่องที่จะถอดถอนราคาปัญหาถ้าพิจารณาตามมูลกรรมฐานที่อุปชาอาจารย์ให้เพือพิจารณาให้มันเห็นเป็นปฏิกูลตามเรื่องของมันอย่าไปส่งเสริมว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เป็นเจษารโลมานะขาทันตาสะจูที่ท่านกล่าไว้นี่คือกรรมฐานห้า ก่อนจะบรรพชาเป็นสามเณรจะบวชเป็นภิกษุทุกองเคยเรียนมาแต่ใมนํานำอาวุธส่วนนี้ปราบตามกิเลสตัณหาจิตใจจึงเกิดราคะเกิดความกำหนัดยินดีชอบใจติดข้องในรูปต่างๆที่ทางกิเลสทางตัณหาถือว่ามันสวยมันงามแต่ถ้านำอัดทำ หรือกรรมฐานที่อุปชาอาจารย์ท่านให้มาที่เจรินาแล้วที่เรินาตาจาที่ท่านสอนแบบผมมันมีอยู่บนทีะมันจะถ่ายทอยจนถึงหน้าผาดหมวกหูทั้งสองข้างมันมีดดวยกันทุกคนผมนี้มันเกิดขึ้นได้จากของฝกกรกเหมือนยาก ที่เกิดขึ้นตามของน้ำหรือที่สกปกต่างๆมันงอกงามขึ้นได้เพราะอาศัยปุ๋ยอาศัยของสกปรกนั้นมันจึงงอกงามขึ้นมาผมของเราก็ทําทนองเดียวกันมันดูดเอาหวกน้ำเลือดนเหลืองหล่อเลี้ยงมันจึงงอกงามขึ้นมามใมนใส่แังคล้วยงามอะไรเลื่องของผมถ้าหาก ในตกแต่งสะล้างผมนี้ปล่อยเอาไว้ยิ่ของมันก็จะเน้นสาบเน้นโขงขึ้นพอมันไม่ตกมันพอมันเป็นของกตกกปกถอดถอนออกมาดูกว่าพอทาบว่าผมนี้ไม่มีอะไรที่ใจหน้าเหลื่อมใสศรัทธายิ่งตกหล่นใส่ภาชนะ น้ำด th ื่ดกว่าตามอาหารที่เราใส่ในถ้วยในจานหรือในหม้อในตามของเราถากหลายร้ายเส้นตกลงไปคนเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่รับทานกันเพราะถือว่าของสกปรกมีคนเอาไปทิ้งใส่ก็จะทะเลาะเบาแหว่งกันขีดเสียงกัน หรือขาดีกันถ้าหากผมมันเป็นของสวยงามเป็นของสะอาดเป็นของดีของดีทําไมจึงไม่ชอบทําไมจึงเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ของอื่นถ้าเป็นอาหารเข้าไปใส่ในถ้วยในจานไม่เห็นดูด่าด่ากล่าวกันไม่เห็นจิตใจมัน รังเกียจกันนี่แต่ผมคนนี้ถ่าเอาไปใส่ให้เขาเห็นจะต้ตองมีการดุด่าล่ากล่าวกันทะ เ, เลาะกันเป็นแน่นอนและผมมันก็ไม่คงที่เหมือนกันเพอเป็นรูปรูปปังอานิจจังเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างหนึ่งตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว ม, มันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อแก่มามันก็เป็นไปอีกอย่างเปลี่ยนสีไป ถ้าหากสีมันขาวปกติสีของผมชอบกันในสีดำถ้ามันเปลี่ยนเป็นขาวไปแล้วไม่ชอบกันยอมกันรักษาเอาไว้ในอยากให้มันขาวแต่มันก็ขาวไปสีมันขาวไปก็ยอมเอาไว้แต่มันงอขึ้นมาใหม่มันก็ยิงหนะ่ยรังเกียดอีก เพราะที่ย้อมมันดําที่มันงอกบางไหม่มันขาวมันไม่น่าดูต้องย้อมอยู่เรื่อยๆนี่คือคนรักษาผมเกี่ยความสวยงามที่รักษาอย่างนั้นเพราะเรื่องข้องกามมะจิริราคาปัญหาอยากจะให้่มันคงเส้นคงวาอยากใหญ่เขาว่ามันเสวยมันงามความจริงมันไหนสวยไนงามที่ไหนเรื่องของผมมันเป็นอยู่อย่างนั้น และมันก็ไม่หลงว่ามันสวยมันงามมันเกิดขึ้นต่างอยู่หรือหลุดล่วงไปเป็นหน้าที่ของมันมันไม่เคยยินดีกับคนผิดไปรักมันชอบมันและมันก็ไม่เคยเสียใจเพราะคนอื่นตําหนิมันผมมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่จิตใจของพวกเราท่านเลยพี่เจรนาอย่างนี้ กนไปหลงว่ามันดีมันสวยมันงามเขาดัดเขาแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้หลุมเห่หลงเห่เพิดเห่เพลินในผมคนไม่มีผมชี้สาล้านถ้าเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามถ้ามันไม่มีเฉยๆแล้วก็คนนั้นโลกเขาไม่ค่อยสนใจกันเพราะถือว่าไม่มีผม นี่เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ล่วงไปได้ผมงอกขึ้นมาใหม่แทน <c oughs> แต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กก็เป็นคนที่มีผมดกเต็มศีรษะพอแกมาลุล่ม่วงไปอย่างนั้นก็มีแต่บางคนก็มีมา okay, ตแต่ก็เลิดในมีผมสมบูรณ์มันเป็นไปได้ ตามอำนาจของกรรมเรื่องของขนก็เหมือนกันงอขึ้นจ่ายของหัวกรกโปรหัวโขดในแต่ของเสือของงามขนถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่ดีไม่งามอีกสำหรับโลกสำหรับสมมตถือกันอย่างนั้นคนที่ไม่มีขนตาขนคิ้วคนอย่างนี้ ก็จะต้องละอายเผื่อบ้างเขาคนถั่วไปทีเาา่เขามีราคาตั้หาเขาก็ไม่ชออบใจเขาไม่มีขนแต่ขนนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับผมแต่มันเกิดในที่อื่นเรียกว่าขนความจริงแล้วก็เป็นอย่างเดียวกับกับผม เป็นของที่โซกโปกเกิดขึ้นจากน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากเมื่อจากหนังที่โซกโปกปฏิกูลออกมาตามหน้าที่ของมันตั้งอยู่หลุดไปตามหน้าที่ของมันอีกเน่อนกันยิ่งขนในลมผ้ามีคนถอนออกมาสิ่งใส่ในถ้วยในการในอาหารกาลังบริโภคจะต้องฆ่าัน พอถือว่าเป็นของโสกโปกของหนาเปลียดในหน้าดูนี่เราทั้งหลายไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงของมันจึงหลงไหลใฝ่ฝันว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เล็บก็ดีอาศัยการตบการแต่งอยู่เลื่อยการตัดการแคะไม่อย่างนั้นปล่อยเอาไว้ตัแต่วันเกิดแล้วแต่มันจะเป็นไปเหมือน เล็บหมูเล็บหมาเล็บมนุษย์เราก็ไม่น่าดูเอ็ยเยเกินทาไม่ตกไม่แต่งนม่รักษาแต่วันเกิดมาจนอายุยี่สิบปีสามสิบปีแล้วมันจะยาวขนาดไหนมันจะเป็นอย่างไรนี่ตกแต่งอยู่เรื่อยตัดอยู่เรื่อยมันจริงพอดูกันได้เราเล็บที่เราเว่ามันเสือมันงานอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าแกะออกมามาผัดมาทอดจะทานได้ไหมหากว่ามันสวยมันงามมันดบมันดีมันก็ไม่มีทางอีกเพราะถือว่าเป็นอของของโตกกกฝันก็เหมือนกันอะไรแปงอยู่เรื่อยทำละอยู่เรื่อยแต่ถึงกนานั้นก็ยังมีกลิ่นยังมีมูลฟันติดอยู่ถ้าหากตกออกมาหลุดออกมา ใส่ภาชนะอาหารก็อีกละ่ะไม่มีใครกล้ารับทานกันแต่อยู่ในปากกูที่ว่ามันสวยมันงามเพราะเขาตกเข้าแตงเขาแปลงให้สะอาดแต่ถึงแต่นั้นก็ยังมีกลิ่นไหนเรารู้เราเข้าใจอยู่ของเราอย่างไรของเขาก็อย่างนั้นมันไม่ผิดแปลกแตก ต, ต, ต่างกันในเรื่องของฟันเรื่องของหนังละ่ะกูทําลองเดียวกัน หนังนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีหนังเี้าอย่างแถานั้นคนที่ชอบที่มีราคาปัญหาแรงก่าขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะเพ่กกล้าแต่ต้องเอาไปทิ้งไว้ในที่อยู่ที่อาศัยถ้าคนไม่มีหนังเดินผ่านไปในหมู่บ้านแถานั้นคนในบ้านจะต้องแตกมือกัน เขาไม่ถือว่าคนว่าผีเพราะไม่มีหนังแต่เดินได้ยังไม่ตายเพียงเราขูดหนังออกนินดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นมันก็ไม่น่าดูกันแต่หนังนั้นมันเทียบเอาไว้นิดหน่อยเท่านั้นผิวบางบางนิดเดียวที่ทําให้เราหลุ่มหลงเพียงขูดเราออกไปทั่วตัวก็ไม่ได้ ขนาดหัวแม่มืออสิ่งที่ปิดบัง ส, สติปัญญาของเราให้เราเกิดราคาตัญหาขุดออกนิดเดียวเท่านั้นน้ำเหลืองน้ำเลือดมันจะเยิ่มออกมามันไม่มีอะไรที่น่าอยากได้น่ายินดีนี่คือทางที่นิพพานมาทำลาใจเมื่อมันเกิดราคาตัญหา จะ ต, ต้องหาทางที่เจรนาแก้ไขใจมันหลงมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันจริงเกิดราคาปัญหาอย่างนั้นเรื่องของกายจริงจังแล้วมันไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหน้าที่ของมันได่ว่าใครทั้งหมดเหมือนกันใจเท่านั้นที่มันไอยลุ่มไอยหลงแลยใจลุ่มหลงได้อะไรนอกจากความทุกข์ ของใจเท่านั้นไม่มีอันอื่นที่ได้มาหลงเท่าไรชอบเท่าไรก็ทำให้เดือดร้อนทำให้เกิดความทุกข์เท่านั้นถ้าหากมาพิจารณาสาบสาเหตุของจริงมันว่ากายนี้ไมนมีหยิงมีชายไมนมีหนมนีแก่กายอันนี้เป็นถาดทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟมนกันหมด เราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันจะไปกําหนัดทําไมจะไปยินดีทําไมตัวของเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราไปหลงในหนังหนังของเราก็มีอยู่จะไปหลงทําไมหนังของเราเป็นอย่างไรหนังของเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นกระดูกมันก็ทานองเดียวกันเป็นถาดของดินจริงขนแข็งมันไม่มีอะไร เป็นของดีของดีสิถ่านน้ำที่หลุดร่วงออกมาเลยว่าน้ำหูน้าตาน้ำมูกน้ำตาลเสลน้ำหนองน้า เ, ล, าเลือดที่มันนี้หลุดออกมาตกออกมาจากกายมากกว่พราทราบได้ว่าน้นนําเหล่านี้มันเป็นของปฏิกูลอยู่ข้างนอกก็พอดืม่มพออาบได้ถ้าหากเข้ามาทางในออกจาก ทั้งจะมูกของตา่างออกจากทางปากของตา่างออกจากทางทาวานเบาของตา่างหรือออกจันตามร่างกายของตางเราจะอาบได้ไหมจะดื่มได้ไหมนั่นเลยออกจากกายของบุคคลเพราะมันสกปรกมันไม่ใช่ของสะอาดความจริงของมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไปลงไหลใส่สันยึดถือว่ามันสวย อ, อย่างนั้นมันงามอย่างนี้ มันแดงแดงก็เลือดที่ทาให้มันแดงทําไมันมีเลือดมันเกาะในแดงให้แล้วเลือดที่มันมีอยู่ในกายที่หนังหุ่มอยู่ถ้าหากเ อ, นอานี่เอาขวานมาสับมาฟันให้มันไหลออกมามันแดงยิ่งกว่าอยู่ในหน้าเราชอบไหมเอามาทาตามเนื้อตามตัวได้ไหมมาดื่มมากินได้ไหมควมจะพี่แจนะ หาทางแก้ไขใจผี่มันติดข้องนี่คือเรื่องการพิจารณาตำละราคะตัญหาความอยากความกําหนังของใจพิจารณาจนแห้มันทราบมันเข้าใจตามเป็นจริงของมันรูปนี่อยู่ในโลกจะเป็นรูปหญิงก่อตามรูปชายก่อตามรูปวัตถุเข้าของก่อตามมัน สภาพเหมือนกันหมดมันในหลงไหลใส่ฝันมันได้ยินดีพอใจในในใส่ร้ายใต้สีขครหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรก็เกิดขึ้นแปร่ปวนและแตกสลายเหมือนกันหมดอะไรห่ะ ไ, ห i, หไปหลงหลงในสิ่งเหลนะ่านั้นเรื่องของใจเท่านั้นมันก็จะเห็นโทษของใจว่ามับ้ามันบอ มันยึดมันถือทั้ ง, ท, งทั้ี่สี่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรแต่เราก็บ้าบอยินดีใฝ่ฝันอยากได้ปรุงคิดนั่นจะเลยไหมศาสตร์เรื่องของใจตัวเองเมื่อมัน ม, นมนาศาสตรเรื่องของใจการเป็นจริงพอกมันว่ารูปเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้น เรื่องของใจแ่านั้นติดไปหลุ่มหลงเรื่องที่จะติดในรูปจะเป็นสุภาพคือรูป ง, งามอสุภาพคือรูปแม่ ง, งามกอดตามันตกไปหมดที่จะนาลูก ม, มันไม่เอาเพราะลูก ม, มันมีความหมายอะไรใจแ่านั้นที่มีความหมายที่มันข้องติดมันจะเลยวกเขามาที่จะนาเรื่องของใจทําไมมันจึงไปติด ไปคิดไปปรุงอย่างนั้นหนีมันเข้ามาภายในแล้วเรื่องใจจะไปเกิดราค่ากัณฑหาไปชอบติดอย่างนั้นอย่างนี้มันในนี้อีกถ้างพิจารณาพอของมันนี่คือเรื่องวางกายวางรูปใจจะต้องหดเข้ามาภายในทงางพิจารณาเรื่องภายในของตัว จิตระยะนั้นมันจะละเอียดละเอียดเอาจริงๆรกงจังๆทันทุกระยะทุกเวลาที่มันปรุงมันคิดในชิ่าจิตทันเรื่องของสังขารท่านท่าไม่เคยเป็นเคยเห็นมาก่อนมันคิดอะไรมันพรนุงอะไรธาบอยู่ทุกระยะยิงออกไปแวบออกไปทางอากุศลมันสเสทียนนนะทราบได้แล้วก็ไม่ต้อง วิตกวิจารณ์ในเรื่องนั้นอีกมันก็ตกไปเองของมันเพราะทราบมาแล้วพิจารณามาแล้วเรื่องของลูกเรืเ่องของราคาปัญหามันจึงไม่มีอะไรในจิตในใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับรูปที่จะพิจารณาสวยแกย่ใคจิตใจเห็มันละถอนอีกเพอ ร, รู้ทราบคอยใจตามเป็นจริงของมันเวทนาสัญญาความมั่นหมายมันยังมีอยู่ ก็พยายามแกไขพยายามพยายามิจารณามันมันปรุงอย่างไรขึ้นมามันหมายอะไรนี่มันเข้ามาภายในเข้ามาเรื่องของนามธรรมผู้ประพฤปฏิบัติถ้าถึงขั้นนี้จะสะอาดดีในตัวของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาไปสถานที่ใดมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลา คือจิตใจมันทันกับฟังฐานที่มันปรุงขึ้นมันไมนมีเวลาเถอะที่จะให้มันแวะออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอันอื่นมันปรุงอะไรท่าทุกขณะทุกระยะของจิตเรื่องที่มันเคยจิดเคยข้องเราจะทดลอง ปรงแต่งให้มันคิดมันไม่ไปเพราะมันทราบดีแล้วว่าไม่มีอะไรในเรื่องทางนอกนอกจากเรื่องทางในคือเรื่องนามธรมเท่า น, นั้นมันก็บมาคนคิดที่ารนาเรื่องในอยู่ตลอดไปจนมันรู้มันเถื่ใจเรื่องของขันตามเป็นจริงของมันรู้เวทนาสัญญา รังขารวิญญาณอันนี้เป็นขันธ์สิ่งนี้พระพุทธไตรจ้าท่านหรือสาวกอาราหารันท่านสำเร็จเป็นผู้วิเศษแล้วสิ่งเหล่านี้ยังมีถ้าหากจิตไม่ล่มหลงสิ่งเหล่านี้มันไม่ก่อมันก่อไม่เป็นจิเลตตัญหาถ้าหากจิตล่มหลงในสิ่งเหล่านี้ ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดราคาปัญหาเกิดเพราะเกิดชาติได้ถ้าแยกออกได้ที่เจะนาะเห็นชัดเจนในจิตในใจผู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้คือใครเราจะทราบสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเราก็ทราบเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็สมมติกับวิมุตมันไม่สั่ สมท่าเข้ากันถูกบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นขาดขันหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรก็ทราบเรื่องของมันขาดขันในใจตัวกิเลสตัญหาผู้รู้คือจิตใจต่างหาที่เกิดราคาตัญหาสิ่งเหล่านี้มันเป็นใจ ต, ตามหน้าที่ของมันถ้าหากทําสิ้น กิเลสาดขันของท่านดับไปกว่าพระพุทธเจ้าเอาอะไรไปสอนโลกรู้ของท่านยังมีอยู่ไม่ใช่หรือเวทนาความสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําสิ่งนั้นสิ่งนี้สังขารความตึงชิดในจิตในใจวิญญาณความรับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีอยู่แต่ท่านไม่มีกิเลส เพาจิตของท่านไม่เป็นกิเลสถ้าจิตยังเป็นกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกิเลสนี่คือการประพฤติปฏิบัติละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจะรู้จะเข้าใจตามเป็นจริงของมันจนหมดเรื่องที่จะละจะบำเพ็ญมันก็ทราบทุกคนมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่าไปเชื่อเรื่องราคาตันหา เลื่ออวิชชาประธานของใจวตาเราอาภัพอับวาสนาประพฤติปฏิบัติมาขนาดนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นยังไม่เดียไม่เด่นอะไรทั้งทั้งสเคยประพฤติปฏิบัติเคยได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนแต่จิตใจก็ไม่เป็นไปให้มันยังไม่ถึงการถึงสมัยเราต้องตั้งใจจะทำมำเพนเลื่อยไปมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนต่อสู้เรามันนักสู้ าสู้มันธรรมาดาไม่ไหวเราจะต้องตัดเรื่องต่างๆให้มันหมดข้นทางที่จะบรบกวนเราเรื่องราคาตัญหาต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นจากเรื่องของกายก็มีเกิดขึ้นจากเรื่องของใจก็มีกายนี้เหนือนกันกันกบอาวุธ ใจนั่นเหมือนกันกับโจรโจรมีอาวุธมันสามารถที่จะต้นจี้ข่าตีมันไม่กลัวอะไรเพราะมันมีอาวุธมันถือว่าอาวุธของมันดีถ้าหากตัดอาวุธของมันออกไปมันก็ไม่กล้าอาวุธของกิเลสตัญหาก็คือการกินการนอนเป็นอาวุธสำคัญ อันหนึ่งหลังกายมันมีเรี่ยวแรงคิดทางใจทางกายมันกเกาะเป็นไปตามความคิดของตัวคือกาหนัดยินดีทางใจแล้วกายมันก็เป็นไปได้ตามความกาหนัดของใจถ้าหากเราตัดการนอนเข้าไม่เห็นมันพักค่อนไม่เห็นมันหลับนอน ตดอาหารเข้าไม่ให้มันกินมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหิวพยายามพิจิรเจนมันยังห่วงยังอะไรยังยินดีเหลื่อมายอยู่กับกิเลสตัณหาไหมถ้ามันยังอยู่เราจะตัดถอมันเลื่อยไปมันกลัวตายไหมมันเห็นไหมทุกมันจะต้องมีทางสงบได้ถ้ากตั้งใจทําจริงๆัง คนที่ไปตั้งใจทำจริงจังเน่เลยถือว่าเราอาภัพอภาษานะคือทำม่ถึงขั้นถึงตอน <c oughs> ที่จะแกไขใจของตัวให้สงบได้ให้เห็นตามเป็นจริงได้มันจริงเกิดความลังเลสงสัยว่าจะผ่านไปได้ไหมหรือจะเป็นอย่างไรถ้าทำจริงจังแล้วไม่เหลือวิสัย เพราะทำช้ามากคือทับไล่ราคาตัญหาออกจากใจถ้าทำจริงทำจังมันสู่ความเพียนไม่ได้เ่ยวกักิเลสตัญหาทัาจึิงว่าวิริยนนทุกขมัะเตยติคนจะพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียนเพียนไปพยายามไปอย่าไปทอดถอยมันเกิดขึ้นขนาดไหนแล้วจะไม่ เชื่อมันใช่ไหมตามมันจะพยายามฝ่าฟันพยายามบังคับใจให้ย อ, ยอยู่ในอัดในทําให้ดังนี่คือผู้มีความเพียนพยายามแก้ไขพยายามขับไล่เรื่องความชฉียวเสียต่างๆที่มีอยู่ในกายในใจของตัวถต่ทำจริงแล้ว ความจริงมันจะเกิดขึ้นถ้่ทำเล่นเล่นมันไม่เห็นผลให้จิเลตในจิตในใจนั่นก็เหมือนกันกับพืชพันธุ์พันธุ์ารต่างๆเหมือนกับกับป่าไม้เราไปตัดไปฟันจะไม่ขุดไมค้นต้นตอของมันออกไปแต่มันก็งอกขึ้นมาอีกได้ยุคพืชพันธุ์ อันอื่นมันก็เกิดขึ้นจะต้องอาศัยคนผู้ทำนั้นขุดคน้นต้นต่อของมันขึ้นมาเทา่าสิต้นนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหญ้าที่มันเกิดขึ้นมาผมพยายามได้ออกไ ป, อ ไ, ปไปถามันเลื่อยไปถ้าไปถากไปถางเอาไว้ปียี่สิบปีก็ม่ม ไปดูไปเกี่ยวข้องมันก็เกิดขึ้นอีกนี่คือมันยังไม่ถึงขั้นตอนของมันที่มันจะดับจริงจังมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากมันถึงขั้นที่มันหมดเรื่องของมันจริงจังมันก็ไม่ได้ทาอะไรอีกเพราะมันหมดแล้ว ถึงกายมีอยู่ใจมีอยู่กิเลสตัญหาสิ่งที่เคยลบกวนเราข่าตายแล้วถอดถอนหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรรบกวนเรื่องรักษาก <c ười> ายวาจาตามศีลตามธรรมนั้นท่านก็นรักษาเพราะเหตุใดเพราะเกิดโลกวัฏสะโลกเขาตันณหานินทาเขาจะเกิดบาปกรรมแก่ท่านท่านก็นรักษาไปแต่ความจริงของท่าน ไม่มีอะไรไม่รักษาจะเป็นบ้าหรือก็เป็นเป็นบ้าท่านทราบดีว่าทำไมมีบ้ารักษาอยู่มันเป็นโทษหรือจงรักษาท่านจะทราบว่าไม่มีโทษมีภัยอะไรความบริสุทธินั้นมันไม่อยู่ในเรื่องของสมมติแต่ก็ต้องทำไปในเรื่องของโลกทางศาสนา ทางธรรมะถือว่ะโลกวัฏสงจะให้เป็นโทษแา่ความบริสุทธิ์ของ่านนั้นมันไม่มีวันที่จะเป็นไปได้อยู่เราทั้งหลายนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพอส ง, งบนิดๆหน่อยๆถอดถอนขึ้นมาก็เกิดราคาตัณหาจะหาความส ง, งบยนอีกในส ง, งบให้ทำกันจริงๆจังๆขอนส ง, งบลงไปอีก นี่มันอยู่ในขั้นที่จะต้องรักษาเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติพอบรรยงรวมยั ง, ยงจเจริญคือบรรยงไม่ถึงที่สุด <c oughs> ของมันจะต้องตั้งใจเอาใจใส่จริงจังจะถึงอย่างไรถ้าหายนักภาวนานักตั้งเจตจิตใจของตัวเองมันไม่ตื่นเต้นหน้าที่นี้ อย่างไรทําไปทำผ่าความเพียรมันเจริญก็คืออาการของจิตมันเสื่อมก็คืออาการของจิตมันเกิดมันต้องดับไม่ว่าทางเสื่อมหรือทางเจริญมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือผู้จีฝึกปฏิบัติจริงจังทราเรื่องของจิตถ้ามันชอบใจมันยินดีมันก็ถือว่ามันเจริญถ้ามันไม่ชอบใจ อยากใครมันเจนอย่างนั้นอย่างนี้มันเลยเ็นไป ใ, ให้ก็ถือวามันเสื่อมผู้ไปถือคือใครถู้ไปสมมติคือใครมันยังไม่ทราบมันเห็นแต่แค่อาการเท่า น, นั้นถ้ามันไปเห็นตัวจริงของมันเรื่องเหล่านี้จึงมัอนเป็นปัญหาอะไรหน้าที่ที่จะปฏิบัติปฏิบัติเลือ่อยไฟในตื่นเต้น ในการเสื่อมการ เ, รเจริญของจิตเจริญความเพียร น, นั้นในเคยละเคยถอนวิจราจรณาเรื่รอยไปแจกไขเรื่อยไปสิ่งที่ควรแจกไขนี่กา ร, รเพื่อปฏิบัติของพวกเราท่านมันก็ไม่มีอะไรงอกไปจากกายจากใ จ, ใ จ, ใจรูปเสียงเิียนลดสัำผัดภายนอก มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปรับเอามาว่ามันดีมันชั่วยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหาพิจารณาตรงนี้รู้มันก็มีอยู่ในตัวเสียงมันก็มีอยู่ในตัวกลิ่นรสสัมผัสมันมีอยู่ในตัวทั้งนั้นพิจารณาตัวถอดถึงแถา น, นั้นเข้าใจชัดเจนแ่านั้นโลกทั้งโลกไม่ว่าอาดีตอานาคตมันก็เหมือนปัจจุบัน มันไม่มีอะไรที่จะสงสัยเข้าใจในตัวของตัวถวดถึงก็เข้าใจในโลกถวดถึงทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบัน่างจึงเหรโลการิทูรียแจ้งไน่มีหงสเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขึ้นชื่อเราอลูกมันเหมือนกันหมดคือเชื่อเสียงมันเหมือนกันหมดในว่าอดีตอนาคตนี่คือ โลกแจ้งชัดในมีอะไรที่จะมาปิดบังอำพรางในจิตในใจของตัวการพิจารณาจรพิจารณาตัวเองเท่านั้นในต้องไปพิจารณาที่อื่นเพราะราคาปัญหามันเกิดขึ้นจากนี้อริชา้าอุปทานมันมีอยู่นี้ ม, นมันมีอยู่ต้นไม้ภูเขาที่ไหนแก้ไขยิงแก้ไขยอยู่นี้ เมื่อแจะขชยถูกต้องหมดจบบริสุทธิ์แล้วตันงแต่ม่ีอะไรที่จะเป็นปัญหาให้ใจิตใจสงสัยให้ใจิตใจเดือดร้อนจึงควรที่นี่พิเจนาควรแนะวรสอนควรกำหนดรักษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสอนคนมีกิเลส <c oughs> คนไม่มีกิเล ส, นเลสในจำเจนที่จะสอน เผื่อเราม่จีเล็ดจีเล็ควรมองข้างจริงควรนำมาศึกษาควรนำมาที่นีพิเจนากายวาจาใจของตัวตามทางสี่พระพุทธเจ้าสอนถ้ า, าเราจะทำตามโอวาสของท่านพิเจนาอยู่รวยใจมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรตั้งมัน่นทุกคนก็จะมี ผลเหมือนกันคือถึงความบริสุทธิ์ฉะนั้นเราทุกคนเนื่อมึงความบริสุทธิ์อย่าไปมองข้ามว่าตัวเป็นคนอาภัพอวราสนาอย่าไปเหมาตัวปีตัวตายก่อนไข่เรีบนําธรรมะมาแก่ไขมาศึกษามาพิจารณาจิตใจทีเคยมืดบอดลุ่มหลงต่างๆ ก็ค่อยๆสว่างสวัยขึ้นความสุขความเจริญที่เราไม่เคยประสบพบมาก็าจะเกิดประทับจิตประทับใจของตัวนี่คือเรื่องธรรมะที่ผู้มาเพฤ่อปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวของตัวดังนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพื่อปฏิบัติได้อย่างนั้นอย่าไปคิอว่าเราอาภัพอาวาติศนะดวงต่างนาต่างๆประพฤติปฏิบัติ มทุกท่านได้สะดับรับฟังโอวาตที่แสดงมาจงนำไปพินิพจพนะิจารณาจางนาปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควรเกียวเวลาขออยี้ี่เพียงแค่นี้เอวัง